เอาออกทิ้มไปบ้านเราจะได้สดใสเสเนียจันไร่จะต้องไม่มีเพรว่าะจะลงรักษาเสนียจะมาบ้านก็สุดนลูกเป็นผู้นําบุญแก้วพูทรจังหวัดสีสิเขตอายุหยับ2ปีจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางการพยาบาลคุณพ่อเป็นครูใหญ่ในรงเรือนประถมสุดเขตแดนจังหวัดอุ บ, บนอราชธานี เป็นคนสละเวลาเพื่อส่วนรวมเป็นนักพัฒนาเป็นผู้นำที่ชาวบ้านรักและนับถือมากเพื่อนครูก็รักและเคารพท่านมากเพื่อนครูเรียกคุณพ่อว่าพี่ใหญ่ตั้งแต่จาความได้เงินเดือนงท่านขึ้นปีละสองขั้นทุกปีสอลูก7จนดคนอยู่ในระเบียบอินไนตรงต่อเวลามีคุณธรรมนอบน้อมทมตัวให้เป็นลูกครูใหญ่ที่เป็นตัวอย่างของคนดีในหมู่บ้าน คุณพ่อเขาสังคมดื่มเหล้าเบียร์เป็นประจําในระดับควบคุมตัวได้คือดื่มเหล้าเบียร์ในขณะควบคุมตัวครับท่านสุบริเวณละหนึ่งซอง ม, มาเป็นเวลา<อ>สี่สิบปีเสียชีวิตเมื่ออายุเจ็ดสิบปีเมื่อสองห้าสามหนึ่งด้วยโรคมะเร็งปอดอลูกเด็กพยาบาลดูแลท่านใกลชิดเป็นระยะเรามีครอบครัวอยู่คอรจังหวัดจนวันรสุดท้ายท่านเสียชีวิตในมือของลูกเอง ขณะนั้นลูกยังไม่ได้มาวัดพระธรรมกายจึงไม่ทราบวิธีที่จะส่งท่านลูกเห็นสามเฮือกใหญ่ของท่านชัดเจนท่านไปด้วยอาการสงบไม่แสดงความเจ็บปวดให้ลูกๆเห็นเลยญาติญาติมาเต็มบ้านทุกคนทำท่าจะร้องไห้ลูกจึงห้ามไว้ว่าคุณพ่อไปดีแล้วหายเจ็บหายปวดหายทรมานอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวคุณพ่อจะห่วงกังวลดูเหมือนว่าทุกคนเบิกบานดี คุณแม่ทำนาขยันอดทนพูดน้อยใจบุญเมื่อลูกๆโตแล้วคุณแม่จะตักบาตรทุกวันติดต่อกันมาจนบ้านปลายชีวิตวันใดที่พระท่านไม่เห็นคุณแม่นั่งรอใส่บาตรท่านก็จะไปโปรโ ด, ดถึงหน้าบาทยื่รอจนกว่าจะเห็นคุณแม่ไปใส่บาตร<อ>วันนั้นก็คือวันที่คุณแม่ป่วยไปไม่ได้ ค, คุณแม่เสียชีวิตหลังจากคุณพ่อประมาณปีหสอายุได้เจปี ด้วยโรคชราและเบาหวานขณะลูกกลับไปถึงบ้านคุณแม่นอนสมหน้าซีดมากได้ทำตาลูกไปทันส่งท่านประมาเครึ่งชงั่วโมงทำตามที่หลวงพ่อทัตตะได้สอนไว้ลูกนั่งอยู่ข้างเตียงกุมมือท่านไว้แล้วก็ทบทวนบุญหนังๆที่ท่านได้ทำมานี่ถูกหลักวิชาเลยเนะ บ, บุญตักบาตรทุกวันปฏิบททัติธรรมเดินจงกรมบุญที่ท่านมาเห็นที่วัดพระธรรมกาย แนะนำให้ท่านเอาองค์พระใสๆที่วางบนโต๊ะหมู่หัวเตียงไว้ในท้องพร้อมกับเอามือลูบท้องท่านด้วยท่านกับริบตารับทราบได้แรกสุดลูกเห็นน้ำตาคนแม่ซึมออกมาต่อมาผิวหน้าท่านเปรี่ยมเป็นสีชมพูอมยิ้มน้อยๆเนี่ยจากซึมๆเลยลูกพิติมากที่ิธีการหลวงพ่อตาตะได้ผลมากค่ะแล้วท่างกระจากไปในช่วงนั้นเองลูกได้เห็นสามเหือของคุณแม่ แต่เห็นท่านขอตกขันหน้าไปอีกทางแล้วมีเสียงดังก๊กอกทั้งๆ ท, ท, ที่ใบหน้าอมยิม้ม<อ>คําถามก็มีดังนี้ค่ะเพราะเหตุใดคุณพ่อจึงเสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดขณะเสียชีวิตใหม่ๆท่านไปอย่างไรคะท่านญาพูดคุยกับลูกเรื่องอะไรขณะนี้ท่านอยู่ที่ไหนลูกโดยสารของพระธรรมการเป็นตัวไอ้ท่านทั้งสองและอุทิศทุกๆบุญให้ท่านตั้งแต่ปีสามหจนบัดนี้ท่านได้รับหรือไม่คะ เมืม่อ6เมษายน2546ลูกเด็ถวายที่ดินมรดกซึ่งเป็นของท่านทั้งสองแด่หลวงพ่อท่านทั้งสองได้อนุโมทนาหรือไม่คะถ้าท่านอยู่บนสวรรค์วันนั้นเพื่อนเถิดดาของท่านแด่อนุโมทนากับท่านหรือเปล่าคะ <c oughs> ลูกเด็ถวายไทยธรรมภสังการติการ 3,000 วัดเป็นชื่อคุณพ่อคุณแม่คุละกองท่านได้มาถวายเองหรือไม่ <c oughs> และบุญทั้งสองอย่างนี้มีผลทําให้ความเป็นอยู่ของท่านทั้งสองเ <c oughs> ปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคะ พี่สาวของลูกที่เคยเลี้ยงดูลูกมาแต่เด็กเสียชีวิตโดยโรคหัวใจวายที่บ้านบางเขนอายุห9ปีเสียชีวิตเมื่อปี2 5 4หกส่หนกเสียชีวิตสองสามวันคนในบ้านเห็นคนตัวดำทมึนตัวโตโ<อ>เดินเข้าออกบ้านอยู่หลายวันพี่สาวเคยมาพบธรรมกายและสร้างองค์พระรประจาตัวหนึ่งองค์<อ>มีชีวิตลำบากมากทำงานใช้หนี้ที่สามีก่อจนถึงวาระสุดท้าย เสียชีวิตแล้วท่านไปไหนมีความอยู่เป็นอย่างไรบ้าง oh. อ่ะมาฟังกันเลยพ่อตายแล้ววนเวียนเจ็ดวันเจ้าหน้าที่จมโรุก็มารับตัวไปไปอยู่ต่อนหน้าพญายมพญายนก็พิจารณาถามเรื่องบุญเรื่องบาป เห็นไหมท่านถามได่เรื่องบุญเรื่องบาปไม่ได้ถามเรื่องอื่นเลยนะแล้วก็ถามพ่อว่าทำบุญอะไรมาบ้างพ่อก็พูดว่าได้ให้การศึกษากัยวชนแล้วก็เคยช่วยเหลือสังคมแล้วก็อะไรต่างๆที่เป็นบุญ <c oughs> แต่พ่อมีกิจกรรมการสู่บุรี่กินเหล้าเข้าสังคมและก็มีกรรมอื่นที่ตัวเองทำด้วยเช่นเรื่องอย่าอ่านเลย <c oughs> พยายยมก็ได้ัดสินให้รับโทษก่อน <c oughs> แต่ก็ไม่นานที่ไม่ลงไปมหาน ล, ลก ท, ท, ทั้งที่ดื่มสุราเนี่ย สูบุรีสุราพอบุญที่ตนเองก็ได้ทำไว้และบุญที่ลูกอุทิศให้จะอยู่ในยมโลกนี้ไม่นานโดยถูกลงโทษเรื่องบุรีกับสุราเป็นหลัก<อ>เห็นไหมรเรื่องบุรีกับสุราเป็นหลักเจ้าหน้าที่ก็จับท่านเขึงพืชนอนหงายเลยแล้วก็เอาบุรียัก ซึ่งตอนปลายมีไฟสีแดงวอบวอบพร้อนจีมาจี้ตามร่างกายบุริยักษ์นะมาจี้ตามร่างกายแล้วก็จี้เป็นตัวหนังสื อ, อที่ร่างกายท่านเป็นการสั่งสอนเหมือนครูเขียนกระดานดำนั่นแหละ รู้ไหมว่าท่านเจ้าหน้าที่เขาเขียนไว้ว่าอย่างไรบุหรี่น่ะเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้สูบชื่อว่าเดืเบียดเบียนตัวเองไปแพร่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นต้นแต่เขียนยาวกว่านี้นะอะไรแย่เลยเอาบุหรี่ยักษจี่นะตามตัวแล้วก็เอาบุหรี่ยักษ์เขียนเป็นตัวหนังสือที่ร่างกายสัตว์นรกเราจะเขียนเนี่ย แล้วตอนสุดท้ายก็ทิมพูดเข้าไปใปากว้ายตามไปด้วยกรอกน้ำทองแดงเพราะว่าดื่มสุรารไปลองจี้ตามตัวมึงนะเถอะเขียนบุรีไม่ดีมีโทษเนครสูรบุรีรพอพูดถึงตัวเนี้ยไม่ฟังเลยนะอยู่ที่บ้านน่ะับไปเดินเล่นโ ต, ตัวเตล บ, บุญที่ลูกอุทิศให้นะ่ะทำให้พ่อได้ไดรับยดลดหย่อนผ่อนโทษมาตลอดจาก5 0าปียมโลกเมื่อเหลือแค่หนึ่งปียมโลกก็จะพ้นโทษให้ลูกทำบุญอุทิศ ต, ต่อไปเรื่อยๆก็จะพ้นโทษเองที่เสียชีวิตโดยมะเร็เรงปอดก็เพราะการรมปัจจุบันเป็นหลักคือสูบบุหรี่และดื่มสุราเมลัย นี่แม่ครั บ, รบวิธีทันทรมานก็เบาป็นหลากหลายเยอะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเห็นอีกแม่ตายแล้วหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองบนชั้นดาวดึงเป็นเทพธิดาอยเฟสสามเพราะแม่ทำบุญอย่างสม่ำเสมอแม่ไม่ใช่บุญใหญ่หรือเป็นบุญพิเศษก็ตามใจท่านชุ่มอยู่ในบุญทุกบุญ ที่ลูกได้แนะนำาน่ใจท่านใสก่อนตายจึงได้ไปสวรรค์ได้รับบุญทุกบุญที่ลูกบุศไปให้ตอนนี้มีสภาพทีดีขึ้นกว่าเดิมส่วนเพื่อนเทวดาก็ต่างคนต่างอยู่กันจ้าตอนนี้ไม่ได้มาร่วมอ น, อนุโมทนากับแม่หรอกรแม่รับรู้ทุกบุญที่ลูกทำบุทศแต่ไม่ได้ลงมาร่วมถวายจ้ที่ถามาถวายพระสังฆกานบ่าไม่ได้ลงมา พี่สาวตายอายุห9บเก้าปีเจอที่ยมโลกก็มารับตัวไปเลย oh. เพราะหมดอายุไขาตามบัญชี oh. เลยหัวใจวาย oh. เมื่อไปสู่ยมโลกก็พิจารณาเรื่อง oh. บุญเรื่องบาปแล้วก็ถูกพี่พากษาให้กลับมาใช้กรรมเก่า oh. จากชาติในอดีต ท, oh. ที่ไปคโคดกงเขา ให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วตอนนี้ก็ได้มาเกิดแล้วแต่ยืนในคาร์มานดาเป็นเพศหญิงเหมือนเดิมเลยชาไดดีเป็นผู้หญิงเป็นเจ้ามือหวยมีเทคนิคในการโกงไม่ยอมจ่ายเมื่อลูกค้าแทงถูกหอบเงินหนีไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมาลำบากอย่างนี้อีกหลายชาติทีเดียวเกิดตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ลำบากอีกเมื่อเงินอายุสั้นกับเพราะ ค่าสัตว์ ร, รมอาหารจ้า<อ>นี่ก็เป็นเคสตดี้ย่อๆแล้วก็ยังไงก็อย่าไปทุกข์ใจและรุ่มใจเกี่ยวกับคุณพ่อที่อยู่ยมโลกนะลุงนะท่านทำกรรมอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละเราดูผิวเผินอยู่ตอนอยู่ในมนุษย์เนี่ยเอ๊ะท่านก็นทำความดีจังเยอะแยะช่วยเหลือสังคมก็มา แล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแต่ว่ากฎแห่งกรรมแล้วเขาไม่ได้มองแค่นั้นเท่านั้นะยังมองอย่างอื่นประกอบด้วยจะมาอ้างว่ากินเหล้าสุปริเพื่อข่าสังคมนั่นอ้างไม่ขึ้นครับแล้วจริงๆสังคมไทยเนะี่ยไม่ได้ให้กินเหล้าหรอกนะมาดิงาด้งมาแดงอะไรกันอย่างเง้ยไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยครูผูใหญ่วัดทัศนคติที่ว่าข่าสังคมแล้วต้องดริ้งต้องดืง่มนเนี่ยเลิกซะเถอะ เราเปลี่ยนวิธีการใหม่ได้เนี่จะดื่มน้ำผลไม้รหรืออะไรก็ได้ขนมก็ขนมก็คุยกันได้เนี่ยสนุกกันได้ไม่ต้องดดิงไงมันมืนเมาหรอกแล้วกระทษของความเมาก็เห็นกันตัางเยอะๆที่จริงมีอยู่ในรายการนี้ตังเยอะแต่เอาไว้อ่านในวัน ถ, ถัดไปเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกังวลที่คุณพ่ออยู่ในโยมโลกนะลูกนะอย่าทุกข์อย่ากลุ่มอย่าเศร้าใจเราไม่เกิดประโยชน์อันใดให้เล่ง ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบุญสร้างบารมีทั้งทานศีลภาวนาให้เยอะๆโดยเฉพาะการทําภาวนานี่แหละเป็นหลักอย่างสําคัญอย่างยิ่งเลยลูกจะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงพวัฒนการให้ได้แล้วก็เอาบุญนี้นะไปช่วยท่านแต่วต่ได้ศึกษาวิชาธรรมกายด้วยเราไปเองเลยให้ทําอย่างนี้นะลูกนะ